ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนักเมื่อเปรียบ ก, กับชีวิตในอดีตชาติซึ่งนับจำนวนชาติหาท้วนไม่ดังนั้นกรรมคือการกระทำที่ทำในชีวิตนี้ในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนักเมื่อเปรียบ ก, กับกรรม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 ให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่าให้ถึงวันที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งคือวันที่ต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แข็ง แ, รงแงกร่งแห่งกรรมร้ายผู้ที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณ์ในภพชาตินี้ก็มิใช่ว่าไม่มีมือแห่งอกุศ ล, ลกรรมตามตะครุบอยู่มีแน่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 ต้องการอย่างไรพระองค์นั้นก็ยินดียกโทษไม่เอาความเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านว่าจะได้ไม่มีการจองเวรกันต่อไปเรื่องนี้สมเด็จพระพุธธาาทธเจ้านั้นสอนเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมให้เห็นว่าเมื่อทํากรรมใดแล้วจะต้องได้รับผลตอบแทนแน่แม้ข้ามภพข้ามชาติทํากรรมใด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 ท่านอย่างแสดงให้เข้าใจด้วยว่าทุกชีวิต hhh, ผ่านพบชาติในอดีตมาแล้วจะต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่เห็นกันอยู่ว่า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 ผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติอันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชะนกกรรมนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบากแต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของกุศ ล, ลกรรม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 อาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวโดยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับไปรับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริง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 มากมายจริงๆเพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้วเมื่อได้ทำมานับพบชาติไม่ท้วนจะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในพบนี้ชาตินี้ได้ละพบชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนากรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่า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 ย่อมได้สวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรำดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กำไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรำดีอาจส่งผล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 และย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผลที่ท่านสอนให้ทาบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเช่นเดียวกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณทั้งปวงอะไรที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่เป็นทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทําย่อมไม่ปฏิเสธ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 ใครเล่าจะรับรองได้ว่าอดิตชาติเราไม่ได้เป็นคนคับแค้นไม่เคยทำบุญให้ข้าวปลาอาหารแก่ใครเลยมารดาบิดาผู้แก่ชราก็หาได้สนใจให้ข้าวให้น้ำให้มีความสุขอิ่มหนำสำราญไม่ยิ่งเป็นสัตว์หมาแมวด้วยแล้วไม่เคยเมตตาปรานีให้ข้าวซักเม็ดให้น้ำสักหยด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 ไปเกิดในประเทศที่เรียกกันว่าเป็นนรกในโลกอย่าประมาทอย่ามั่นใจว่าอนาคตสำหรับเราจะไม่เป็นเช่นนั้นกํมเช่นนั้นอาจจะวิ่งไล่เรามาโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นแม้ไม่ประมาทต้องวิ่งหนีให้สุดกำลังความสามารถชีวิตนี้เท่านั้นที่เราจะพบทางนี้ได้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 พระเทวทัตถูกทรณีสูบทันทีที่เท้าสัมผัส พ, พื้นธรณีขณะกำลังจะได้เข้าไปเห็นพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไม่ทันได้กราบพระพุทธบาทขอประธานโทษทั้งปวงน่าจะคิดถึงความทรมานทั้งกายและใจของพระเทวทัตเมื่อเสวยผลกรรมนั้นน่าจะคิดให้จริงจังเพื่อให้เกิดความกลัวกรรมที่มีอานาจยิ่งใหญ่นัก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 เพราะชีวิตนี้นั้นน้อยนักจบสิ้นง่ายชีวิตในภพชาติข้างหน้าต่างหากที่ยาวนานจนประมาณไม่ได้ความสุขอันยาวนานหรือความทุกข์ที่ยืดเยื้อจะมีมาพร้อมกับชีวิตในชาติอนาคตแน่นอนเรามีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีชาตินี้ชีวิตนี้ที่แม้จะน้อยนักแต่ก็เป็นชีวิตเดียว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 ยึดกตันยูกะตะเวทีไว้ให้เป็นหลักประจำใจมั่นผลที่เกิดตามมานั้นจะไม่มีเสียหายแม้แต่น้อยกตันยูกะตะเวทีความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและตอบแทนพระคุณนั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า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 เชิญสำรวจตนเองให้ทุกคนให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริงว่ามีความกะตัญยูกะตะเวทีหรือไม่แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ไม่มีกะตัญยูกะตะเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆอย่าสงสัยแต่จงเร่งอบรมใจตนเองให้มีกะตัญยูกะตะเวทิตาธรรมให้จงได้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 ผู้มีกระตันอยู่กะตะเวทีนั้นจะรู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหมดจะตอบสนองทุกคนเต็มสติปัญญาความสามารถควรแก่ผู้รับและนี่เองที่จะเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีทาดีเพราะเกรงว่าการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะมีส่วนทาให้ผู้มีบุญคุณเดือดร้อนเช่น